Thank <laughs> you.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 ความคุ้นเคยในเป็นญาติอย่างยิ่งนั่นเราคุยกันแบบอย่าคุยว่าอันนี้คืออาจารย์อันนั้นคือลูกศิษย์ไม่ใช่เท่ากันเท่าเทียมกันก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านที่เห็นประโยชน์กับการปฏิบททัติธรรมมาร่วมกันทำความดีทำกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเคยมีคาถามทุกครั้งที่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 ให้เป็นทุกข์าำไมสงสัยไหมมีคำตอบหลายอย่างอันนี้ก็น่าถามนะแล้วก็น่าตอบด้วยแต่บางคนถามยิ่งนั่นอีกชีวิตเขาเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยครอบครัวก็ดีลูกก็เรียนจบเขาเองก็กกเกษียณอายุแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนี่คือคำถามมีพร้อมทุกอย่างเลยนะ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 มันไม่ได้ปวดแค่ฟันมันปวดถึงใจปวดขาปวดขาปวดหลังนี่เป็นทุกทางกายแต่ใจเราเนี่ยปกติไม่ได้ต้องหวั่นไหวต้องกลัวเจ็บกลัวอะไรต่างๆสแสดงว่าเราไม่รู้จักความทุกข์อันที่จริงแล้วทุกทางร่างกายเนี่ยไม่สําคัญไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงทุกข์ที่แท้จริงนั้นทุกข์ที่จิตใจใจที่เกิดความยึดมั่นถึอมั่น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 ผู้ที่ปฏิบัติทำเนี่ยจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ทําใจได้เวลาทุกข์ไม่เยือนสติมาทันเวลาทุกข์ไม่เยือนจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะพึ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นจะช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเรานี่ประโยชน์แก่ใกล้ๆตัวเรานะไอเรื่องขึ้นร้อนไปนิพานอันนั้นมีอยู่แล้วถึงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มจากตัวเราก่อน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 แผละกลางใจเกิดจากอาดีตทั้งนั้นใช่ไหมไปเอาของเก่ามากินทําไม <c oughs> มันผ่านไปแล้วมาล่าสมัยแล้วเรื่องเก่าๆมาล่าสมัยแล้วลืมจะอะถ้าจะคิดว่าเอาไปเป็นครูไม่มีประโยชอะไรของเก่าๆ เ, เอามาอุ่นกินไม่อร่อยเท่าของใหม่ๆคือชีวิตปัจจุบันอยากมีชีวิตใหม่ทําใจอยู่กับปัจจุบันเขาไว้ชีวิตจะใหม่เสมอใหม่ทุกวัน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 สอนจิตมันสอนลูกอาจจะใช้คำบริกรรมทุกท่านก็มีคำบริกรรมแต่บริกรรมแบบให้รู้สึกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าท้องพองยุบแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าท้องพองตอนไหนยุบตอนไหนต้องรู้สึกด้วยเวลาเราบริกรรมว่าพองเนอให้ใสความรู้สึกไปในอาการที่มันพองเวลาท้องยุบก็ยุบหนอให้รู้สึก ลงไปในาการที่ท้องยุบด้วยอาการบริกรรมพองหนอยุบหนอเป็นคาถาแต่ความรู้สึกนั้นความรู้สึกเป็นตัวที่ใช้คาถาอย่างถูกต้องสำคัญที่รู้สึกตัวนะเราทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกไหมมีคำบริกรรมต้องบริกรรมแบบรู้สึกด้วยรู้ตัวด้วยว่าเรากาลังทาสิ่งนั้นจริงๆงอย่าบริกรรมแบบนอกแก้วนอกขุนทองแต่ไม่รู้ตัวเลยต้องรู้ตัวด้วย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 เป็นธรรมะไม่ง่วงอ่ะผิดไหมถ้ามา ง, ง่วงอ่ะโอ้ถ้าเห็นความง่วงนี่เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะนะแต่ว่าอย่าเข้าไปเป็นผู้ง่วงโอก็บริกรรมไปง่วงหนาะง่วงหนอะให้อย่างและให้รู้สึกตัวในความง่วงถ้าหลับบริกรรมได้ไหมหลับหนอหลับเนาะได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะหลับนี่มันไม่มีสติแล้วบางคนบอกโอ้ฉันเก่งมากบริกรรมตอนหลับได้หลับเนอะหลับเนอะนี่โม้ทั้งนั้นะ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 ความฟุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะขยันนะคนไหนที่ขยันนั่นแหละเริกปฏิบัติเข้าทางนะคนที่ขยันพุทธองค์ยิงบอกว่าคนมีสติย่อมขยันการปฏิบัติการมีสตินั้นมันก็จะขยันแต่ถ้าทําไห้ขยันไม่เป็นไรนะทําท่าขยันไว้ก่อนขยันขยัาไว้ก่อนง่ายๆวิธีการเอาชนะความขี้เกียจนี่ง่ายมากเลยเปลี่ยนเป็นขยันซะความขี้เกียจมันก็หายไปแล้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 นี่คือปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดยานอย่างรู้เห็นรูปเป็นนามแค่ยานที่หนึ่งนี่ก็โอ้ดีแล้วแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงเครียดปวดศรีรษะปวดต้นคออึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเบื่อเซ็งขี้เกียจเกิดยานเหมือนกันยานหอบเสือขี้อกระเป๋าเหมารถเนี่ยมันก็มีอีกยานหนึ่งนะพวกยานขี้เกียจนะ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 เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นธรรมะเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงหรือเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอะนั้นไม่ใช่นั่นมันทำเมาทำเมาเนหลงหลงเห็นธรรมะต้องเห็นตัวเราเห็นกายเรากําลังทําอะไรเห็นใจเรากําลังคิดนึกอะไรนี่คือเห็นธรรมเห็นตัวเรานะเพราะะฉนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่เกินตัวเราเลย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 แล้วเราหนีไม่พ้นหรือเรื่องความทุกข์กายเนี่ยถ้าไม่ฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนอ่ะไปนอนอยู่ตอนเสียบน้ําเกลือสายออกซิเจนแล้วก็อ้าจันจะฝึกตอนนั้นหรือไม่มีทางเลยเพราะแทนหมด ก, กาลังใจแนละ้วต้องรอกําลังใจตอนนั้นไม่ต้องแล้วเราฝึกตอนเนี้ยฝึกอดทนอดทนกับทุกขเวทนากายทุกใจไม่ทุกเวลาจิตใจมันขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติโอรู้จักเอาชนะมันได้ไหม เอาชนะความคีดเกลียขนาปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตมันก็ทําอะไรไม่สําเร็จฝึกจากเนี่ยห้องกรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีการฝึกเวลามันเกิดความง่วงนอนเอาชนะมันได้ไหมถ้าเร า, เาชนะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเวลาง่วงเราก็หลับเหมือนเดิมอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเพื่อนําเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันไอ้ฝึกยากๆอะยิ่งดีให่เลยสั่งสมพลังเอาไว้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 ไม่ต้องกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีกินนะอย่างผมเนี่ยไม่มีเงินหรอกแก่จนป่านนี้แล้วจะมีคนดูแลมากมายธรรมะช่วยรักษาธรรมะช่วยจัดสรรไม่ต้องกลัวมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ต้องกลัวอดตายขอภัยนะพระกุณเจ้าท่านบวชท่านก็ไม่มีเงินหรอกจนป่านนี้ท่านมีแค่บาทเดียวท่านอยู่ได้ต่อชีวิตเลยนะแล้วอยู่จนแก่ยิ่งแก่ยิ่งขลังเอยิ่งแก่ยิ่งขลัง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 แล้วอย่างนี้คำที่พระพุทธเจ้าพูดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็ไม่จริงสิคะอะจริงไหมทําชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไนะทําดีได้ดีมีที่ไหนโอ้นี่มันภาษิบโบราณแล้วเราสงจักแบ่งดีกับชั่วถ้าเราทําดีมันดีไหมแล้วมันได้เงินไหมคนบอกว่าทําดีดีแต่มันไม่ได้เงินได้เงินจึงจะดี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 แต่ว่าผลอ า, อาจจะไม่ออกมาในตอนนั้นก็ได้บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมแต่คิดเนี่ยมันดีแล้วเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรากอดท่านดีไหมอาการกอบแบบนี้ดีใช่ไหมแต่นี้อาจจะรำคาญถ้าต้องกอบเราตอบได้หรือแต่เรากอดท่านเราดีแล้วกระทำดีแล้วใช่ไส่วนท่านจะกอดตอบเราหรือไม่ น, นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันดีอยู่แล้วในการกระท เราคิดชั่วทำชั่วก็ดีอยู่แล้วในการกระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรอยหน่อยทำไมคนจริงทำดีแล้วจริงมีความทุกข์ทำไมคนจริงทำความชั่วแล้วจรงมีความจุกรอยนวนเราแน่ใจหรือแล้วเขมีความสุขอยู่เราแน่ใจหรือตลกที่แสดงหน้าเวทียิ่งแย้มแจ่มใสรู้เลยว่าเขามีความสุขจริงในใจอาจจะเป็นอะไรลึกๆ ก, ก็ได้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 ทำชั่วก็ยอมได้ชัว่วอาจจะไม่ส่งผลตอนนั้นก็ได้บางทีต้องรอเวลาอีกหน่อยใช่แต่มันดีอยู่แล้วมันช่วยอยู่แล้วในตัวที่เรากระทาส่วนผลนั้นบางทีต้องรอเวลารอโอกาสเพราะนั้นทํสองอย่างเนี่ยมันต่างกันมากคนที่ทำความชั่วแล้วมีความสุขเราดูแค่ภายนอกแต่ไม่รู้จักใจเขาเลยผมบอกว่าจิตคิดอยากกันได้ของเขา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 เราจะ ไ, ไ, มไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะดีเนี่ยไปยึดมัน่นถึงมันทําดีเอ่ดีเพื่อความดีไม่ใช่ทําดีเพื่อให้เราดีให้เราดีเมื่อไหร่แล้วก็คนโน้นจะต้องสรรเสริญเรานะเราต้องมีเงินมีท้องนะจึงจะดีเรามากักจะมองความชั่วในแง่ของความลําบากความทุกข์มองในแง่ความดีคือต้องได้เงินต้องได้คำํำตัดสิน ย, นยอ่ออันนั้นเป็นเพียงมองแค่ภายนอก แต่ข้างในนั้นเราจะรู้ดีว่ า, ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเห็นไหมเวลาเราให้ใครเนี่ยเราสบายใจไหมสบายใจเห็นไหมเราจะบริจาคของสักอย่างเราเนี่ยมันนี่คิดให้ดีไหมเนาะไอ้นี่ก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ก่อนก็ดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยโอ้หมนเรื่องหมาลาเปโอ้โลกออกไปทงที่ได้ให้เางั้ น, น, งนคิดอยู่นั่นแล้วอีกใจนึงก็ตนีอีกใจ น, น, นึง ก, ก็อยากให้อเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะวันหน้าได้ใช้ให้ไปก็ดีมันเกะกะเลย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 เรารู้ไม่ทันในความโกรธไม่มีสติไม่โกรธหนอโกรธหนอขาดสติทํำตามความโกรธและต้องรีบทําเลยนะต้องรีบไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะหายโกรธต้องรีบะมั้ยเพราะขาสติคอยเย็บจั้งยั่งใจคอยตัดอารมณ์ตัดความสุขนี้ไปก็เรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์มันก็ก่อไปกับอารมณ์เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาทีหลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยไม่น่าทำลายเขาเลยเพราะขาสติคอยเย็บจั้งชังใจ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 เเข้าใจพ อ, อมาคืนก่อนพระอาจารย์บอกว่ามีใครเคยนับมังไหมว่าบันไดมีกี่ขั้นใจก็ยังคิดว่าโอ้โหทำไมพระอาจารย์ถึงละเอียดจังเลยเนาะข <c oughs> นาดแค่เดินหนอนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะพอเราเดินมานี่เราก็าลองดูว่าฝาหนึ่งหนอใ้สองหนอฝาสามหนอพ อ, อถึงจะได้รู้ว่ามีเก้าขั้น <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาเป็นแบบฝึกแบบฝึกเพื่อเรามีสติให้มีความรู้สึกตัวต เ, เป็นแบบฝึกตอนแรกก็ยังฝืนทาไมพระอาจารย์ละเอียดจังเลยมันลําบากเหลือเกิ น, น <X X <X X> เนาะอยางนี้สินี่เวลาทําเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกิน <X X> ไปอย่าไปเครียด <X X> ทําเล่นๆสบายๆหนอก็หนอแบบสบายๆแบบผ่อนคลายเลพระอาจารย์ไม่ตัดคะแนนหรอกไม่บาปไม่บาป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 พอมาแล้วก็กิุ๊กังวลมากเลยค่ะว่าเราจะทําได้เนาะ <c oughs> ทําได้ไหมเ น, นออาะ like? ต้องอาศัยกาแฟนะคะแล้วทําอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะก็มันนั่งหาเนี่ฮะอาไอเขาหาแม่งหนอแม่งหนอตลอดทั้งวันเลยะน้ําตาก็ไหลอย่านั้นแะนี่ล่ะก็เรียกได้อารมณ์นั่นแหะดีแล้วนั่นล่ะสภาวะทํากําลังเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้ทันมันได้แต่ว่าเราก็หมดว่า ง่วงอง่วงหนอแต่ก็ไม่หายง่วงสักทีแลก็ไปกินกาแฟต่ออ่าเนี่ยมันกลายเป็นกรรมฐานกาแฟไปอลหารแคปซูลแล้วไม่ต้องหาตัวช่วยแล้วก็เปลี่ยนยาบทเสรจแล้วลุกไปเดินไปล้างหน้าล้างตาอย่าไปกลัวอย่าเป็นทุกข์กับมันแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราอย่าไปเอาจริงอดจังอย่าไปเพ่งอยังเกินไปไม่ทําให้ทอมันปั่นป่วน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 เพราะเราให้ความสําคัญว่าอยากให้คนอื่นคนดีแต่ลืมตัวเราไปเพราะนั้นเริ่มต้นจากตัวเราก่อนให้ตัวเราได้ผลแล้วค่อยบอกคนอื่นดูตัวอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมและมีความทุกข์เนี่ยหาไม่ค่อยได้สมวนมาจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีปัญหาและเราช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางทีเราสงสารคนที่เรารักอยากจะช่วยเขาแต่เราจะช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะ แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอ๋อช่วยคนอื่นได้มากมายเลยคนเราอยากจะช่วยท้งนั้นแต่ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเราช่วยตัวเองให้รอดดีแล้วละ่ะแต่ก็ช่วยคนอื่นด้วยเนี่นโดยการปฏิบัติธรรมดีทั้งเราดีทั้งคนอื่นทำให้สิ่งมันล้อมดีเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาโอ้มากมายประโยชน์การปฏิบัติมองประโยชน์ให้มากๆากสิ่งนั้นก็จะมีค่าสําหรับเราเราก็จะวิ่งไปหาตัวนั้นทําไมเวลาเราปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว เราต้องอธิษฐานว่านิพพานนปปัจโยโหตุเพราะเป็นการตั้งมั่นว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดตั้งมั่นบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสพาเราไปถึงนั้นได้นะตั้งมั่นสิ่งไหน บ, บ่อยๆคืออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยทําให้จิตใจเราเนี่ยน้อมไปสู่สิงนั้นได้ง่ายๆเคยไหมที่บ้านเราเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันวางตรงเนี้ยมันเกะกะเหลือเกินเดินผ่านมากเกะกะเหลือเกินอีกไม่ช้าเก้าอี้นี่มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องเอามันออกไปอยู่ดีอะ